อยากจะขอชวนอาจารย์พูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับกระแสนี่แหละค่ะด้วยว่าอีกไม่กี่วันนี้อาจารย์ก็จะได้มีโอกาสไปบรรยายทําในหัวข้อเดียวกันกับที่เรากําลังจะพูดกันตรงนี้เลยนะคะครับก็คือข้ามกระแสสําหรับอาจารย์กำพลทองมุนุ่มแล้วข้ามกระแสจะกินความมีนัยยะอย่างไรเขาก็เชิญเราตามกระแสนะเราก็เลยต้อง เดินตามกระแสเ <hn> อาจารย์ต้องเล่นตามกระแสค่ะอาจารย์ไม่มีสิทธิ์เดินตามกระแสค่ะเ <c oughs> พื่อจะได้ให้กระแสนั้นเป็นไ ป, นปนตามปกติถ้าเราไปขวางมันก็เจ็บ <c oughs> ก็ลําบากนะคะเนี่ยผู้ที่เล่นกระแสแล้วเนี่ยเรามักจะมองถึงกระแสน้ําที่ไหลลงมาจากเหนือลงไปสู่ใต้บางครั้งก็รุนแรงบางครั้งกระแสน้ําก็อ่อนบางครั้งก็นิ่งได้เหมือนกันอันนี้พูดในทัศนาของชาวเรือเลยใช่ไหมคะอาจารย์ออ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 ใช้ยานพาหนะทีนี้ว่าการใช้เรือการเดินตามกระแสหรือล่องไปตามกระแสเนี่ยจะต้องมีสติปัญญาต้องเข้าใจถึงกระแสต่างๆว่ามันเป็นมาอย่างไรบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องทวนกระแสเหมือนกันจะไหลไปตามกระแสสะพื้สะพืนมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ดีแน่กระแสน้ำที่ไหลรุนแรงเนี่ยต้องรู้จักจอดอย่าเพิ่งไปนะตอนนั้นไปนี่อันตรายมาก อย่างเวลาที่มีน้ําหลากมาจะมีข่าวว่ามีคนล้มตายกันมากเรือล่มเรืออับ ป, ปางพวกนี้แหละเพราะว่าเรารู้ไม่ตทันกระแสเหล่านั้นแต่คนที่รู้ต่อทันเนี่ยเขาจะไม่ออกเรือเขาจะจอดไว้จอดหรือว่ายกขึ้นขานไปเลยใช่การจอดเรือต้องรู้จักจอดด้วยจอดเรือต้องจอดหันหน้าทวนกระแส <c oughs> <c oughs> แต่หันหน้าตามกระแสเนี่ยหรือขวางกระแสเนี่ยบางทีก็อันตรายเพราะฉะนั้นผู้ที่ตกอยู่ในกระแส น้ำก็ต้องรู้จักกระแสให้ดีการใช้ชีวิตนี่แหละต้องรู้จักกระแสของโลกเราจะไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยอย่างไรบ้างอันเนี้ยถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นสติปัญญาของเราค่ะจะว่ากันไปแล้วเนี่ยก็เพิ่งรู้นะคะว่าการจอดเรือเนี่ยก็จะต้องจอดแบบพวนกระแสน้า <c oughs> เพราะว่ามีชีวิตยอยู่มาจะครึ่งศตวรรษแล้วเนี่ยเพิ่งรู้ จ, จริงๆค่ะคุณด้วยความที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินทางทางเรือแล้วก็ชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเรือพออาจารย์พูดมาตรงนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเราได้ไปล่องเรือที่นําน้ําที่ตรงสมุทรสงครามาเป็นแม่น้ํา แ, แ, แม่กลองนะค ะ, ะ, คะเวลาคนเรือเขาจะจอดเรือเนี่ยเขาต้องปีโค้งอ้อมสักไกลเลยค่ะแล้วก็หันหัวเรือไปทางทิศที่ทวนกระแสน้ํา ทั้งที่เขาเทียบเลยก็ได้เพราะถ้าอย่างเราขับรถใช่ไหมคะเราก็จะจอดซ้ายจอดขวาแล้วก็เทียบเลยไม่เห็นต้องตีโค้งอ้อมไกลแต่นี่เขาต้องตีโค้งอ้อมไกลแล้วก็หมุนให้หัวเรือทวนกระแสน้ําทีแรกเราก็ยังงงโน้ว่าจะกลับเรือไปไหนก็เป็นความรู้ใหม่สําหรับคนงงๆคนหนึ่งกันนะคะ <c oughs> แต่พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็มีนัยยะที่ทําให้เราคิดได้เหมือนกันนะคะว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราต้อง รู้จักที่จะวางจิตวางใจวางชีวิตของเราอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับการจอดเรือแบบนั้นคือคํานึงถึงความปลอดภัยก่อนอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องดูพี่นาดูว่ารเรือนี่ไม่เหมือนรถ ร, รถนี่ถ้าจอดแล้วก็หยุดเบรกได้เลยใส่เกียร์แล้วก็เบรกมือแต่เรือเนี่ยมันเบรคอันไม่ได้คพอถึงท่าปั๊บเนี่ยถึงแม้เราจะดับเครื่องหรือใจเกียร์ว่างอยู่เนี่ยกระแสน้ําเขาก็จะพัดพาเรือไป มันจะไม่นิ่งมันลดเหรอใช่ค่ะแตอนนี้เวลาจอดเรือเนี่ยสังเกตดูทําไมก็จึงจอดเรือทวนกระแสน้ําเพราะเรือเนี่ยมันมีสองด้านมีทั้งหัวนี่แหลมแหลมด้านท้ายนี่มันจะไม่แหลมเหมือนหัวการจอดเนี่ยเท่าหัวแหลมแหลมเนี่ยสู้กับน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยเรือจะไม่สายไปส่ายมาแล้วถ้าว่าเราเอาด้านท้ายเรือมาทวนกระแสเนี่ยด้านท้ายเรือเนี่ยมันไม่แหลมมันนะในเวลากระแสน้ําพัดมาเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าปะทะกับกระแส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 รู้เท่าทันโลกเขาจึงเปรียบเทียบว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือแล้วอะไรอีกอะคะสติก็เป็นหางเสื อ, อปัญญาก็เป็นผู้พายเรือเพราะน่้นการอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราต้องมีสติมีปัญญาเพื่อเรียนรู้จักโลกแล้วก็ชีวิตให้ถูกต้องเราเรองใช้ชีวิตเราเนี่ยไปด้วยความปลอดภยัยเหมือนเรือที่มีนายเรือที่ดีมีหางเสือที่ดีแล้วก็เรือไม่รั่ว จะพาเรือล่องไปได้โดยตลอดโดยที่ไม่ชนกับเกาะแก่งหนึ่งค่ะอันนี้คือเทคนิควิธีการที่จะข้ามกระแสครับแล้วกระแสที่ว่านี่อาจารย์กินความแค่ไหนคะ่ะจากปุตุชนไปสู่รอริยชนรหรือว่ายัางไงคะ่ะกระแสของชีวิตเราเนี่ยมันก็มีปุตุชนปุตุชนเนี่ยก็มีความทุกข์เต็มที่เราก็มีการที่จะเรียนรู้จากวิตปุตุชนเนี่ยให้เป็นกาลยานชนนะ ให้ดีขึ้นมาหน่อยนึงอาจารย์กำลังจะบอกว่าจากปุตุชนจะเป็นอริยชนได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนของการเป็นกัลยาณชนก่อนชนชั้นดีหน่อยเพราะปุตุชนนี่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย่งไรหรือเปล่าอาจะไม่สนใจธรรมะก็ได้อาจจะไม่สนใจเรื่องชีวิตไม่สนใจเรื่องโลกสนใจแต่สิ่งนอกตัวเนี่องธรรมมาหากินเรื่องสุขผลานแล้วก็ทําบาวทําชั่วเป็นนิสผิดศีลผิดธรรมหันหลังให้ธรรมะ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 จนนั่งพัฒนาจิตตัวเองเนี่ยถึงกระทั่งเข้าใจโลกแล้วก็สามารถปล่อยวางได้ในบางเรื่องบางราวอนีก็สามารถข้ามพ้นเนี่ยจิตที่ข้ามพ้นจากปุถุชนธรรมดาเนี่ยจนเป็นอริยชนได้ค่ะอริยชนคือชนผู้ที่พัฒนาแล้วอยู่เหนือแล้วเหนือจากกิเลสและกองทุกข์ที่มันมาเกาะกินอาจจะไม่ทั้งหมดอริยตนขั้นตน้ตนๆก็ยังดีกว่าที่เป็นปุถุช น, นอาจารย์พูดอย่างกับว่าอริยชนมีหลายขั้นอย่างนั้นนะคะ ก็เขาจัดระดับไว้มากมาย4ระดับพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมคะแต่โสดาบันสกิตาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นอรหันต์เขาจัดระดับไว้เป็นสมมุติเนี่ยถ้าใครพ้นทุก์ได้ระดับต้นๆก็เป็นอริยขั้นต้นลองลงมาจนตั้งพ้นทุกขถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาเรียกอรหันต์จัดระดับไว้คล้ายๆกับที่เราเรียนหนังสือจริงๆแล้วลําดับ ทั้งหมดที่เรากล่าวถึงเนี่ยก็คือลําดับขั้นของการพัฒนาชีวิตจิตใจของผู้คนใช่ไหมคะคว่าในชีวิตหนึ่งซึ่งเราเกิดมาเนี่ยเราควรจะมีทิศทางในการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปสู่ความดีงามอย่างไรแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ถ้าหากใครไม่ได้พัฒนาในสิ่งที่ได้มานี้ให้มีเนียอยากจะใช้คําว่าระดับของคุณภาพที่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดาย มายัางไงก็ไปอย่างนั้นมืดมาแล้วก็มืดไปคงไม่มีใคร <S <S บรรลุมาแล้วก็บรรลุไปใช่ไหมถ้ามืดมาแล้วเป็นปุถุชนคือมือดมามีความไม่รู้แต่พยายามที่ศึกษาธรรมะเรียนรู้ re, เรื่องชีวิตเข้าใจชีวิตเริ่มพัฒนาจิตใจเนี่ยสูงขึน้นสูงขึ้นแล้วนี่เวล า, านคนเราเนี่ยมันต้องตายจากโลกนี้ไปมืดมาแล้วถ้ามีความรู้ออกไปแล้วเนึกว่าสว่างไปสว่างคือมีความรู้ความเข้าใจชีวิตค่ะคือไปแบบคนที่ไม่มีทุกข์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 คือใครจะเป็นลำดับขั้นไหนเนี่ยไม่สําคัญเท่าเราได้พัฒนาตัวของเรามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์ไม่าาสุดเลยใครก็ตามที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงสูงเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเขายังมีความทุกข์เต็มที่อยู่เนี่ยก็ถือว่าอันนั้นเป็นแค่สมมุติพระอรหันต์พระริระยเจ้านั้นหาได้ที่จิตใจเราค่ะใจเราเท่านั้นที่จะพบเห็นพระริยเจ้าที่แท้จริงถ้าทุกข์เราลดน้อยลงโอ้นี่ก็ดีละใช้ได้ล้วทุกข์เรา น้อยลงน้อยลงทั้งหมดทุกเลยเนี่ยโอ้นี่แหละนี่แหละจะเป็นอาราหันต์หรือจะเป็นอริยเจ้าขั้นไหนเนี่ยไม่สําคัญสำคัญที่ว่าทุกเราเนี่ยมันลดไปแล้วก็หมดไปไม่ว่าใครจะเป็นพระอริยเจ้าใครจะเป็นพระอาราหันต์หรือว่าใครจะบอกว่าเราเป็นอะไรใครเป็นอะไรเนี่ยสาคัญน้อยกว่าตัวเราตัวเราทุกน้อยลง <c ười> คนเราก็เป็นเนี่ยแต่เราก็ยังมีความทุกข์อยู่ในกรณียศ <Boston. S 1> อะไรนะคะอันนี้ก็ขอย้ําขอเตือนเพื่อนของเราสักนิดนึงว่า